ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในทัะพรารวักที่หนึ่งปฐมทัะพระาพราสูตรที่หนึ่งคือพระสูตรที่ว่าด้วยทศพลยานและจตุเวสารชยานของพระพุทธเจ้า ก็ได้อาธาิบายขยายความมาแล้วตอนหนึ่งแต่ว่าก็ผ่านเนื้อหาในพระไตรปิฎกไม่มากเียงแต่ว่าราะความตรงนี้มีองค์ธรรมอยู่เป็นจำนวนมากรักษงแสดงว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายสถาคตประกอบว้วยทศพลยานและจะตุเวสารัชยาน จึงปฏิญาณฐานะของผู้องค์อาจบรรลือเสียนาฏในบริษัทต่างายยังพรมมาจากรหรือทำมาจากให้เป็นไปว่าดังนี้ดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปก็เรื่อยไปจนจบที่วิญญาณแล้วก็มีประเด็นหลักอยู่ ก็สามสี่คำนะฮะบระเดแรกก็คือทศพลยานยานอันเป็นกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าผนคำว่าทศพลแปลว่าผู้มีกำลังสิบเท่านั้นเองแล้วบางทีเราก็เรียกเป็นพระนามของพระองค์เลยว่าพระทศพลเป็นพระประธานที่ พุมทมณฑลก็ทศพลยานคำเหล่านี้จะปรากฏในที่สูงสูงคือจะพูดเรื่องของสูงสูงคือไม่เอามาพูดในเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะว่าในแวดวงของพระหารททั้งหลายก็มีพระองค์เดียวที่ทรงไว้ซึ่งทศพลยานวันก่อนก็ได้พูดมาถึงสี่ข้อนะฮะจะทบทวนไปหน่อย ขแรกก็คือฐานาฐานายานปิชาอย่างรู้ฐานะและอาถานะคือรูก้กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับขอบเขตในขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้แค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ระวังเหตุกผลและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมเกี่ยวกับสมรรถนะวิสัยของของบุคคลซึ่งจะรับผลกรรมที่ดีและชั่วต่างๆ ต, ต, ตามสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาเอาไว้ การที่สองเรียกว่ากรรมาวิปากยานเป็นพระปรีชาญาณที่ยังรู้ถึงผลของกรรมคือสามารถจำแนกแ ย, ก, ยกได้เมื่อเห็นผลก็ย้อนกลับเข้าไปหาเหตุได้หรือแม้แต่ปนกันก็จะแยกได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลซึ่งตามปกติแล้วผลก็จะเหตุเนี่ยเขาจะไม่ขัดแย้งกัน เพียงแต่ว่าในบางกรณีผลปรากฏแต่เหตุไม่ได้อยู่ตรงนั้นปฏิเหตุปรากฏแต่ผลยังไม่ปรากฏแล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแล้วก็สามารถศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องเหล่านั้นได้อย่างที่ก็ยกตัว อ, อย่างพ ย, าพยัสสะบุรบุตร ที่วันดีึ้นดีถ้านอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมามองเห็นสาวสารกับนันในในปร า, าสาทเป็นซากศพเราใจเห็นว่าเป็นผลที่ปรากฏในปัจจุบันแต่วิจ้าประสงค์แสดงเห็นว่ามันเหตุมีในอนาตอดิตการที่นานไกลแล้วก็รับสั่งเล่าถึงชาติที่ท่าน มันเกิดเป็นกุลบุตรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บศพอนาถาบริจัดการชาวปนกิจให้แล้วพร้อมด้วยสหาหิจมดมาจากการพิจารณาถึงศพที่กำลังเผาและกำลังไหม้อยู่นี่มันเกิดบุบหนึ่งของวิปัสสนาปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ความปฏิกูลน่ารังเกียจของสังขารร่างกายแล้วเกิดขึ้นบูบเดียวสิ่งเหล่า น, นั้นก็เป็นบารมีอยู่ภายในใจของท่านพอบารมีท่านเต็มขึ้นท่านก็เห็นสาวจี้สาวเป็นๆ น, นะฮะอยู่มีตัวเป็นๆอยู่เนี่ยแต่นอนหลับก็มองเห็นเป็นซักสุ มันก็แสดงว่าเหตุมันไกล้าแต่ผลก็เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นเราสามารถเชื่อมโยงได้แต่แน่นอนตอนพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงนัน้นเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วหมายความว่าเหตุเป็นอดีตที่ไกลผลเป็นอดีตที่ใกล้แต่พระเจ้าก็ดึงมาให้บรรจบกัน อันนี้ก็ด้วยกำลังแข่งกรรมวิปลาเานประการต่อไปคือสมบัติกามินีปฏิปฏาาทาญาณปีชายานอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงุหรือสุคติหรือทุกคติเป็นติระฉานคติเป็นเตกาตติเป็นนิรยคติเป็นมนุษย์ แล้วก็เป็นสุคติคติห้านั้นในฝัวงเราสังเกตฮะเป็นเรื่องอาบายได้ทั้งสามแล้วมนุษย์หนึ่งสวรรค์กับรูปภพ ม, มารูประพไปอยู่ในคำว่าสุคติคติหมายความว่าคติที่จะดำเนินไปสู่ความสุขซึ่งมีความประนีตลดหลันกันขึ้นไปก็กลายเป็น สวรรค์ชังแล้วก็เป็นรูปพระพรหม16เป็นรูปพระพรหมสี 4, ่เราเรียกว่าคติห้าก็คงเป็นรายละเอียดที่ว่ากรรมจําแนกเนี่ยมันแตกต่างกันการที่เกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันก็ยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันก็ สามารถที่จะแสดงเหตุระดับหลักๆเช่นว่าปรมัตถะคือประโยชน์ที่พึงสัมผัสได้ใยตาเห็นคือ่ด้วยปัจจุบันนั่นแหละเราเห็นก็นจะจะคือสัมผัสกันได้จะจะแล้วก็สัมปราิกตะคือประโยชน์ที่จะสัมผัสผลในอนาคตใกล้บ้างไม่ใกล้บ้างใก ล, บ, กลบ้างก็แล้วแต่ แล้วก็ไปถึงปรมตถ์เป็นมรรควิธีที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติี่สัมผัสผลให้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานสมกับแนกรายละเอียดต่างๆเอาไว้ประการต่อไปที่ว่านานายาตุยานเป็นพระปรีชา ย, ยานที่ยังรู้ถึงสภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่างๆเป็นอเนก รือรู้สภาวะเขาธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปทิพนกะคือที่มีใจครองอนุปทิพนกะที่ไม่มีใจครองเช่นว่ารู้จักส่วนประกอบของชีวิตประกอบด้วยอะไรล่ะโดยขันด้วยธาตุโดยอาตยตนะโดยอินทรีโด้วยสัจจะอะไรต่ออะไรต่างๆพวกอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหลายนะอารมณ์ก็วิปัสสนาเวลาจําแนกด้ยละเอียดมันก็อตั้งเยอะนะเจ็ดสิบกว่อ แต่ถ้าจะบแนกโดยเกาะกลุ่มก็มีอยู่หกกลุ่มก็จะย่อหรือจะขยายก็แล้วแต่เราสามารถทำได้นี้ก็ที่พูดไว้ในวันก่อนเป็นเรื่องคุณธรรมที่ทรงอย่างรู้โลกนั่นแหละหมายความว่าเป็นพระไทยที่อย่างรู้โลกด้วยปัญญาที่ลึกซึ้ง เป็นรูปของปรีชาญาณที่มองทะลุผ่านมิติมายาต่างๆลงไปสู่ความจริงของเรื่องเหล่านั้นแล้วพระไตรก็ไม่ยึดมัน่นหรือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นการต่อไปเขาเรียกว่านานาทิมุติกายานเป็นพระปรีชาญาณที่ยังรู้อาทิมุตคืออัคคยาสัย ความโน้มเอียงความเชื่อถือความถ น, นัดความสนใจพื้นฐานในด้านจิตใจของคนเราที่มีความแตกต่างกันแต่ตัวนี้เป็นตัวสำคัญหนึ่ ง, งที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงวางธรรมะสอดรับกับอัติบุตรของคนบางครั้งมีการสอนรวบไปเลย เดนมาสอนราชกุมารสักยะโกริยะห้าร้อยทีเดียวเนี่ยแต่ทรงเรียกมาสอนทีละองนะฮะห้าร้อยองในเรียกมาสอนทีละองค์นงคนคแสดงว่าในรายละเอียดอธิมุตของท่านเหล่านั้ น, นไม่แตกแต่ต่างกันรัจฉริยะใสจิตสันดานความน้มเอียงความถนัดพืชเพวัาสนาบารมรีะะอะไรต่างๆไม่แตกต่างกัน ถึงก็หมายความว่าเราสามัญชนทั่วไปนี่เราก็ไม่รู้หรอกขนาดนั้นแม้แต่อย่างรู้ได้แต่ ว, ว่ารู้เจ้าท่าอย่างรู้ได้เรื่องบางเรื่องอย่างเช่นมีงานที่พระสารีบุตรเถระถึงถือว่ารองจากพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วก็จึงปัญหาบางอย่างพระสารีบุตรท่านแก้ไม่ได้ก็ต้องนํามากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ แล้วก็ส่งจากการแก้ไขปัญนารเราด้า น, นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออธิมุตของลูกรรสิทธิภาษาดิบุตรเท่าที่พบเนี่ยประมาณสามสี่แผนส่วนรสชาติตะแกรงม่ท่าทศกัณต้องนำมาเฝ้าพระพฤติกรรมเพราะไรเพราะยานตัวเนี้มีมีความยิ่งหยอดไม่เหมือนกันของภาษาริบุตรมันเขาเรียวกว่าเป็นระดับของสาวกบา ร, รมียาน แต่ว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็ น, นระดับพุทธญาณชื่อยานเหมือนกันแต่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันข้อต่อไปอินรียะไปโยปรยัติญาณตรงเนี้ยปัจจัยต้องใช้ทุกวันหมายความว่าจะดูคนทุกครั้งก็ดูตรงนี้กับอธิมุตินี่แหละวางธรรมะให้เหมาะสมกับอธิมุตกับอินรีนของโคนเหล่า น, นั้น อินทรีย์มันจะมีความยิ่งความหย่อนแต่ว่าเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองเราจะคุ้นเคยกับธรรมะคืออินทรีย์มากแต่ว่าทั้งห้าข้อแหละทําให้สมบูรณ์ได้ยากหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นกลุ่มธรรมะที่จะเป็นผู้นำไปสู่นิพพานได้หมดทั้งห้าข้อเอาข้อไหนนำก่อนก็ได้พระวินก็เดินตาม นั่นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ตลอด้งในไตสิกขาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณทั้งก้าบทที่เรานำมาสู่สาธยายกันแล้วก็มิตริจินซีอินรีคือวิริยะ แปลว่าความกราหายแปลว่าความเพียรแปลว่าความมันขยันแปลว่าความอุตสาหะแปลว่าความบากบันอะไรก็ตามในการป้องกันบาปในการขจัดบาปในการเพิ่มภูมบุญกุศลและในการรักษาบุญกุศลเอาไว้ไม่ใหเสื่อมไปตัดินซีนซีกุสติ ทำหนา้าที่ระลึกรู้สติแปลว่าที่ซ่านไปหมายความว่าแผ่กระจายไปค่อยๆกระวางรถจุดไฟเนี่ยมันก็แผ่กระจายไปแสงสว่างก็แผ่กระจายไปเราเปิดแอร์คอนดิชันเนี่ยความเย็นก็แผ่กระจายไประหว่างน้ําแข็งลงเนี่ยความเย็นของน้ําแข็งก็จะแผ่กระจายไปรอบตัวรอบด้านแล้นสติมันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้น เป็น ก, การของความระลึกได้หรือเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วจากการทำการพูดการคิดของตนของคนอื่นต ล, ลอดถึงของบรโบราณอะไรต่างๆแล้วก็ระลึกทันในแต่ละขณะที่นำเรื่องโดดนนั้นมาคิดนำมาพูดแล้วก็นำมากระทำ มันทีเกิอดอาการเผลอเรอเกิด ล, ล้มลืมเกิดพลั้งพลาดเกิดเลอะเลือนเกิดมือลอยขาดสติทั้งนั้นในขณะขณะแล้วก็ระลึกทันระลึกออกระลึกออกนะเมื่อออกหลังจากได้ทําได้พูดได้คิดไปแล้วแต่ว่าเร็วมากนะฮะขณะตัวเนี้ยมันต้องเร็วมากเพรเรื่องบางเรื่องมันสายเกินแก่ คือบางทีไม่มีอะไรหรอกเช่นบางทีเราต้องการจะปิดประตูเนี่ยปิดเร็วเกินไปเท้าเราเข้ามาอย่างไม่หมดมันก็ชนกับเท้าเราหรือว่าเราเดินไปพื้นมันยกระดับเรายกเท้าต่ำไปนิดเดียวเ้วสะดุดเลย บางทีไม่ใช่สะดุดที่ข้างหน้าหรอกแต่ว่าสะดุดที่ปลายเท้าทส้นเท้าแล้วก็แสดงว่าสติต้องดีมากต้องขจัดสัทธาจะต้องขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อความเครื่อนแปงสงสัยความโลภอยากได้ความโกรธประทุสลาย อย่างน้อยก็ต้องบันเทาโภโลนี้ลงไปได้แล้วก็ตัววิริยะนี่ต้องขจัดความเกียดคร้านที่ปรากฏ ต, ตัวในรูปแบบต่างๆยังไงก็ไม่รู้แหละจะให้รู้เท่าทันตังความเป็นจริงว่านี่คือความเกียดคร้านเป็นรุปสักเป็นขวากหนามเป็นศัตรูในการดำเนินชีวิตของคนผู้มุ่งดีมุ่งเจริญทั้งหลาย พอมาถึงสติก็ต้องขจัดสติสัมบูสาคือความลุ่งหลงลืมเ ล, ลือนเลือนเผลอเรอพลัง้งพลาดมือลอยอะไรต่งางๆออกไปแล้วต่อไปก็เป็นสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นๆเรื่องอะไรก็ตามแหละจะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสือจะพูดจะยึด ง, งานละเอียดเท่าไหร่เนี่ยสมาธิเราต้องดีเท่านั้น แล้วเราจะเห็นว่าในการปฏิบัติตรงนี้มันก็มีอาการของศรัทธามีอาการของความเพียรมีอาการของสติอยู่ในสมาธินั่นเองระติงุดหนึ่งก็เกิดปัญญาวันสมาธิเองจะต้องทำหน้าที่ขจัดเขาเรียกว่าความเบื่อลอย จิตตะวิเคปะคือความฟุ้งซ่านความสัดนสายการแล่นไปของจิตจนจิตสงบอยู่กับตัวสมาธิหรือกับอารมณ์ของกรรมฐานก็แล้วแต่ว่าการบัตรเราก็เดินไปขนาดไหนแล้วข้อต่อไปก็คือปัญญา ปัญญินสีนสีคือปัญญาที่จะต้องมีประกายของความสว่างสวยเนี่ยขจัดความหลงได้ยางน้อยก็ระดับของการไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้บา บ, บุญคุลโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสือเ่อมเจริญเนี่ยมันต้องขจัดได้ตวตาเรื่องขนาดนี้ยังขจัดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละทันก็ต้องประสบปัญหาที่ตัวของท่านเอ ว่าอินทรีย์เหล่านี้บางทีเนี่ยต้องเพิ่มปรูนทรีย์บางทีต้องบ่มอินทรีย์บางทีต้องปรับอินทรีย์บางทีต้องข่มอินทรีย์บางอย่างที่มันมากเกินไปก็ต้องข่มอินทรีย์เหล่านั้นกำราบให้มันอยู่ปรับระดับเดียวกันอยู่ในระดับที่เขาจะเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนกันได้ โดยปรัชากับปัญญาให้อยู่ในระดับที่สม่ําเสมอกันเรบความเพียรกับปรับสมาธิเนี่ยอยู่ในสม่ําเสมอกันโ ด, โดยมีสติทำหน้าที่เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ด้วยดีแล้วก็ตื่นอยู่ในในการทุกเมื่อประการต่อไปเขาเรียกว่าชานาธิเลสังติการ มีปรีชาญาอย่างรู้ถึงความเศร้าหมองและความผ่องแผ่นนะของญาณของวิโมกของวิมุตติของสมบัติเที่ท่านสัมผัสได้เนะี่ยแล้วตรงนี้ในแง่ของความจริงมันมันเป็นเขรียกเป็นกุ ป, ปธรรมคือกําเริบได้รรชานเราก็เสื่อมจากชานได้จิตมันได้ถึงขนาดวิโมก ก็อาจะหลุดพ้นแต่ไม่หลุดพ้นยั ง, ย, งยังหลุดพ้นไม่ได้หรือบางทีสมาธิสมาธิก็เสื่อมได้ที่บอกนะแต่สมมาบัตแม้แต่สมมาบัตมันก็ต้องดูถึงว่ามันมีพลังอ่อนไปไหมหย่อนไปไหมตึงไปไหมอะไรนี่ยเออซึ่งกฎเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็เหมือนเหมือนกับทุกๆเรื่องอย่างนั่งรถไปบางทีก็เด็กหยุด เติมลมพเติมเสร็จเราก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกเออเมื่อนนี้ก็คือความพอดีมากเกินไปรถวิ่งไม่ดีน้อยเกินไปรถวิ่งก็ไม่ดีนะลมก็ต้องพอดีสองล้อข้างหน้าเป็นยังไงสองล้อข้างหลังเป็นยังไงอะไรต่างๆว่าเออมันก็ที่จริงมันก็อย่างนี้นั่น เราก็มองดูตัวน็อตต่างๆที่เขาจะขันน็อตอะไรกันมันต้องพอดีอะเกียวของช่องที่เราจะใส่น็อตเข้าไปกับตัวน็อตเนี่ยมันต้องพอดีลวมไปก็ขันไม่ได้โลไปก็ขันไม่ได้แล้วในกฎของความพอดีอะลองสังเกตมันอยู่ทุกคนทุกแห่ ง, งนะอะไรก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เพอเดี เมื่อตอนกลา ง, กลา ง, ก, ลางกลางเดือนครับกลางกลาเดือนกุมภาพันธ์มีนักศึกษาปัญญาเอกนั่นทำวิทยานิพนธ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักทับในทางพุทธศาสนาแล้วก็นิมนต์เป็นประธานให้ตรวจแล้วเขาก็ส่งมาให้อ่านก่อ น, น, นแล้วก็อ่านอ่านเออในคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ก็ที่จริงมันก็คือหลักหลักมีอยู่มีกินหลักพออยู่พอกินพออยู่พอใช้โบราณแล้วนะโบราณแล้วสั่งสอนกันมาในโบราณแล้วแต่มาเองก็เข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆไม่เคยอ่าน ไม่เคยอ่านว่าอธิบายขยายความมายังไงได้ยินว่าพูดถึงคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ตกใจว่าทำไมไปพูดถึงคำว่าปรัชญาก็ที่จริงมันเป็นความพอดีพอควรพอประมาณพอใจนะฮะเพียงแต่เราควบคุมคำว่าพอใจเราไว้หน่อยเท่านั้นเองเพราะบางทีตรงนี้มันตอบสนองไม่ได้ไอ้ความพอใจนะ ไอ้ น, นี่ก็ยังไม่พอไอ้ น, นี่ก็ยังไม่พอไอ้ น, นี่ก็ยังไม่พอแต่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ยากแต่พรอเราทำก็บัตถุอย่างที่ว่าเราสูบลมล้รอรถยนเนี่ยเราทําได้อ่ะมันเป็นบัตถุเราคุมได้บอกพอดีเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ปัใจเราป ร, กรากฏว่าเราคุมไม่ได้บรรดาที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดเพราะนันพวกเหล่านี้พวก พวกชานก็ดีพวกสมาธิก็ดีอะไรต้องคุมเขาอย่าให้มันตกแต่อย่าให้มันฟูฟูมากเกินไปก็ไม่ได้พระเจ้าเคยรับสั่งตอบคำถามของเทวดาเทวดากราบทูลถามค่อนข้างหิิงๆนะฮะมาท่าทางค่อนข้างจริงๆว่าพระองค์ทำอย่างไรจึงข่าโบคะได้ พุทธาลับสั่งว่าดุก่อนเทวดาเราไม่หยุดเราไม่พยายามแล้วก็ข้ามอุปัตต์ได้หมายความว่าในช่วงของการปฏิบัติเนี่ยถ้าหยุดมันก็ไม่ถึงแต่พอปฏิบัติไปจนถึงแล้ ว, ลวอย่างพระองค์เนี่ยถึงแล้วถ้าพยายามต่อไปมันก็เลยมันมาอยู่จุดพอดีของมันเัน ยานประการต่อไปอทศพลยานข้อต่อไปเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือวิชาสามนั่นเองคือพวกนี้เราพูดถึงวิชาแปดพอมาถึงสามข้อข้างหลังมันก็กลายเป็นวิชาสามสักทีเรือปิญญาหกนะปิญญาหกมันก็เหมือนกันเป็นตัวยานที่ทำให้พระพุทธเจา้าทรงเป็นพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะข้อสุดท้าย ก็คืออะไรก็คือปุเพนวาสานติยานพระปรีชาญานที่ยังรู้ถึงชาติพบต่างๆในดีจของพรมันไม่ต้องไปถามหรอกเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรแล้ว เ, เกิดเป็นอย่างไรแล้วก็มีสุขมีทุกข์อย่างไรมีอาหารอย่างไระอะไรอะไรมาทไมเราต้องไม่ถามัขนาดนั้นเพราะมองเห็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย เพาในความเป็นบุเพนวันบุเพนวัสาติยาเนี่ยจะพูดถึงเราพูดแบบสมมติบัญญาต์รู้สื่อสารกันให้เกิดความเข้าใจเรานั้นเมื่อเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นแล้วก็ในปัจจุบันนี้คนในชาติที่เราเป็นพระเวสสันดรเนี่ย อาจุตรฤษีได้มาเกิดเป็นสาลีบุตรทัสกะเทวราชได้มาเกิดเป็นอนุรุธการเจตบุตรได้มาเกิดเป็นอนุนอะไรเนี่ยคือจะมัตซีได้มาเกิดเป็นมารดาของราขุนก็จะใช้คาธรรมดาธรรมดาเข้าใจกันง่ายๆพวกนี้มันเป็น เป็นการจัตสรู้สมมติบัญญตัติสิ่งที่ชาวโลกก็สมมติบัญญัติกั น, นคือถ้าเข้าถึงปรมัตดแล้วไปพูดปรมัตดก็จบเลิกพูดกันเลยคนจะไม่สามารถเข้าใจได้ไม่สามารถจะประดิษฐานพระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ได้พระเจ้าก็อาศัยสมมติแม้จะพูดเรื่องปรมัตดก็เถอดแต่จะอาศัยสมมุติ ก็ต่อไปก็คือจุตูประปาญญาเป็นประปพีชญญยชญาธิยางรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่ามันเป็นไปตามกรรมกรรมนี้ตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเหลวสามประเีทแตกต่างกันถ้าเราลองสังเกตดูสภาพจิตนิพพิจเป็นขณะดขนานะเราแตกต่างกันในแต่ละขนาดเว้นไวัแต่ว่าได้บรรลุฌานไปแล้ว มันจะมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าในองศานเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าข้างล่างแล้วอย่างสามัญชนเนี่ยเรียกว่าเราแตกต่างกันเป็นขนาดเลยไนจะมองภาพสวยปฏิมา ก, กรรมจิตรกรรมสวยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันรายละเอียดมีความรู้สึกเหมือนกัน นี่คือคนน่ะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะคนก็เป็นอย่างเงี้ยคือถามไปก็ปวิการคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อานสวุวะขยานพระปีชายานที่เกิดขึ้นแล้วทำอานสุวะกิเลสไปหมดไปก็คือตัวแสงสว่างตัววิชานี่เกิดขึ้นแล้วทำมาที่ดับอวิชชา แสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปแล้วข้อต่อไปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจะตุเวสารัตยาตะพระยาณที่ทำให้พระองค์มีความองค์อาจราหานเชื่อมั่นในสิ่งที่ทรงศรุมา แล้วพร้อมที่จะรับคำท้าทายท่ามกลางนักปราชญ์ทั้งหลายทรงปฏิญาณฐานะเป็นโจกคือหมายความว่าเป็นผู้สูงสุดอะไอโจกที่เราเอามาใช้ในความหมายที่ไม่คดีนะฮะแต่ว่าเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าก็คือความยิ่งใหญ่เหนือเทวดามารพรมยมยักษ์ทั้งหลายเป็นโจก คือเพือป็นผู้ตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ได้ในสีนะ่สถานะสถานะหนึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณสถานะของพระองค์ว่าเป็นอรหันตสมาสัมพุทธะพิสูจน์ที่ไหนล่ะพิสูจน์ที่ธรรมะเช่นปฏิจจสมบัติก็ดีอนัตตก็ดีนิพพานก็ดีอริยสัจก็ดี ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เห็นพวกเราดิแล้วก็ดับกิเลสได้เพราะรู้เห็นเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณว่าพระองค์เป็นอรหันต์สมมาสมพุทธาแต่เพราะว่าพระองค์ทรงรู้เห็นทำเหล่านั้นตามความจริงแล้วก็ดับกิเลสที่เป็นเอตยิจมั่นถือมั่นได้ รงจึงปฏิญาณว่าเป็นอราหันตสมมาสพุทธะคือสำนวนบาลีที่แปลยากนะฮะเวสาสัจจะเนี่ยแปลแล้วเข้าดจะยากเราปฏิญาณตนว่าเป็นอราหันตสมมาสพุทธะถ้าทำเหล่านี้เราไม่จะถลุแล้วเพราะความ ว, วาุ่นวุ่นยังไงเพราะเวลาพูดเนี่ยต้องอธิบายแล้วก็ทําให้นึกถึงความอุ่นใจใน กาลามสุคือเป็นสำนวนสำนวนบาลีที่พอแปลแล้วแปลคาจะยากเพราะนมาเวลาพูดเนี่ยมาจะจะเรียงความเพื่อใหม่เลยเพื่อให้มันจะบ้านเข้าใจบอกไว้เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีและถ้าบาปบุญมันมีในะรกสวรรค์มันมี เราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันเราตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าบุญบาปไม่มีนรลกสวรรค์ไม่มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบัน ต, ตายไปแล้วไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปหมายความว่าแปรโดยเก็บความเอาหรือไม่ได้แปรตามสนวนบาลีเพราะมันยากประกรทบความเข้าใจแต่ถ้าเราทาบาป ถ้าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในชาติตาบันเพราะบาปที่เราทำน่ะมันมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่เราเดือดร้อนแหละแต่ถ้านารกสวรรค์มีด้วยตายไปแล้วเราก็บังเกิดในนรกในอบายอันนี้ก็เหมือนการฟังคอนขันยากษเราปฏิญาณว่าเป็นหลานตะกีณ า, า, าศพทอาสวะเหล่านี้เราอย่างละไม่ได้แล้ว หมายความม่าถ้าพระองค์ละอาสวะสี่ประการเนี่ยคือการมาสวะภาวสวะวิชาสวะยังไม่ได้เนี่ยพระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นหลานตะกีนาศุกแต่เพราะว่าพระองค์ทรงละอาสวะทั้งสามประการได้ในการปฏิญาณหลังจากละอาสวะไม่ใช่ปฏิญาณก่อนล่วงหน้า การที่สามก็คือว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอันใดว่าเป็นประโยชน์แต่ผู้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความชิ่นทุกขโดยชอบแก่ผู้ปฏิบัติพระธมะเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้พระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นราหัสสมาสพุทธ h ผลคำสอนของพระพุทธเจา้าลองสังเกตเมื่อไรมันก็เมื่อนนั้นน่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเว่าเราจรึงพบเรื่องศี่ห้านี้บ่อยก็ถามม่าทําไมในขั้นในประสูมันก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันใต้ตัวคนฟังแล้วคนฟังมันก็เปลี่ยนนะคนฟังก็เปลี่ยนนะ เรายกขึ้นมากับคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เขาไม่เคยได้ยินแต่ว่าละเวลาเรามาอ่านเนี่ยเราอ่านพระสูตรที่ทรงสแสดงต่างกรรมต่างวาระกันเพราะเร า, เาไปเอ๊ะได้ทำใจจำแต่ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเราก็เคยฟังครั้งเดียวแต่นเด็กบางทีก็สแสดงคนละเมืองเลยสแสดงคลปีเลย คนละสถานที่คนละกลุ่มคนคนละเวลากันแต่มันเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวคือเราเห็นว่าเป็นทางยุ่งยากจริงๆเมื่ออะไรละ่ะคือวันที่สิบสาม น, นะเะคือวันที่สามมีนาคม หรือวันจะจะเกิดขึ้นวันที่สิบ้าเลยท่านบอกนี่นจะมีอะไรล่ะกลุ่มเสื้อเหลืองกับเขาจะบุกจังหวัดอุดรธา น, นีทางพวกรักอุดรเขาก็ถือว่าเป็นการท้าทายสุภรมารทเขาเรื่องอย่างมันก็อย่างที่ท่านรู้กันนะนะฮะเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ก็ชั้งเถอะแต่ว่าเราก็นึกว่าเออสังคมเรามันเป็นอะไรไป แต่ละคนเนี่เข้าใจธรรมะนะคนเหล่านี้เวลาขึ้นเวทีของการพูดธรรมะอภิปรายธรรมะพูดธรรมะนี่พูดได้ดีพูดได้เก่งแล้วทําทไมจิตใจมันไม่ค่อยมีธรรมะกนันเลยเธอปวดอะไรกันนักหนาแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าเขนะฮะเข้ า, นะขาที่จะ เฉลิมฉลองครองราช60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ข้าวของความไม่เป็นอันเดียวมันก็เกิดขึ้นแล้ววันที่เก้าวันที่เก้านะวันที่เก้ามิถุนาเป็นวันฉลองวันที่สิบเก้ากันยาก็ปฏิวัติมิถุนากระกดาษสิงหากันยา เห็นไหมนัไปนะับมาก็3ามเดือนนิดนิดปีฉลองประชนพรรษาครบแปดสิบพรรษาก็ทะเลาะตอนนี้ปีที่ถลายแปดสิบสองก็ยังทะเลาะ ก, กันอยูมันเรื่องอะไรกันเวลานี้คล้ายๆกับสงครามชดช้ำนะนฮะคล้ายๆก็เป็นสงครามชดช้นแบ แต่เรื่องที่น่ากลัวเพราะการเกาะกลุ่มนีมีความชัดเจนกลุ่มหนึ่งก็คือภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งก็คือภาคพวกคุ้มนางทั้งหลายก็หลายกลุ่มด้วยกันเกาะกลุ่มกันแล้วก็ก็มารุมภาคเอกชนแต่เราลืมว่าเอกชนเนี่ยเขามีหกสิบกว่าล้านนะฮะนั่นคือ นั่นคือสิ่งที่ควรเว้นเรากับประพฤติพระเจ้าสอนให้เว้นยุ่แยกให้แตกสามคีเนี่ยพระเจ้าสอนให้งดเว้นและเราก็ไปประพฤติปฏิบัติอันทอมันก็สมเหตุสมผลและทรงแสดงว่าสิ่งใดที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้ทําตามเนี่ย ถ้าผลมันไม่เกิดอย่างนั้นตถาคตก็จะไม่แสดงอย่างนั้นตถาคตก็ไม่ปฏิยานว่าเป็นอรหันตสมาสมุท tha ลองสังเกตว่าเวลาเนี้ยไม่มีใครที่อยู่ในฐานะจะเชิญชวนสมาณฉันได้เชิญชวนชวนชวน่ชวยได้แหละแต่ว่าเชิญชวนแล้วเนี่ยเขาจะสมาณชันหรือไง่นี่ยากนะ อาจจะพูดได้ว่าสำหรับสามัญชนไม่มีใครเลยในประเทศนี้นะประชากรหกสิบห้าหกสิบหกล้านแล้วตอนนี้ไม่มีเลยสามัญชนที่จะทำงานตัวนี้ได้พระก็ไปไม่ได้พระก็รู้สถานะของตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วคำบวนพีน่หนยว่าอาัปเดตกิจจาคือแก้ไขไม่ได้ นี่ก็แสดงไงเห็นว่าพระพุทธเจา้าทรมันลือเสียนะประกาศมานานอ น, นี้มันทางเสื่อมนะรู้อํานาจแกราคะก็เสื่อมรู้อนานาจแกโลภะก็เสื่อมรู้อนานาจแกโทสะ ก, ก็เสื่อมรู้อนานาจแกโมหะยิ่งเสือเส่อมสูงกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นมันถูกป ร, รุงด้วยกิเลสแล้วคนก็สนองงานกิเลสกันง่นายๆเนี่ย เราดูข่าวครา ว, ราวเรื่อ ง, างาราวต่างๆล้วก็สลดใจว่าเอ๊ะทำไมไมันเป็นเด็กไปได้ล่ะทำไมความคิดควอ่านเป็นเด็กไปไเลยทำไมก็เด็กๆเกยนหนังสือต่างหากันมามากมายไก่งก่านี่คือเรื่องที่ว่าพระเจ้าสุมาลือเสียนนะประกาศท้าทายนะฮะจะแน่นอนคุณก็พิสูจนได้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าว่า่มันจริง ที่บอกว่าเป็นกุศลก็เป็นกุศลจิตที่บอกว่าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลจิตก็ตอนนี้ก็ทําหนังสือวจวนจะเสร็จแล้วนะเราคิดว่าจะเผยแพร่แถววิสาขา์ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนใครเห็นบ้าง แต่ก็เพื่อหลบคนในปัจจุบันนะเราก็ไปเรียนจากวรรณคดีเรื่องลามาเขียนตอ์ตอนที่อยุติธรรมสามตอนแต่ตอนยุติธรรมมานหนึ่งตอนแล้วก็จากนั้นก็จะพูดเรื่องธรรมะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนพูดทางนายกนายขอมันก็กระทบกระเทือนคน เราก็พูดถึงทศ ก, กัณฐ์พูดถึงนนทุกพูดถึงพระรามพูดพึงพระอิสวนพูดถึงพระนารายพูดถึงจนมาถึงเท้ามาลีบ ร, ราชคือมันเคยอ่านมานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเมื่อเกิดกรมข้อความบางประโยคไม่ได้เลยก็ต้องให้เด็กไปซีร็อกปจักเอาสมุดแห่งชาติ น่าจะได้วันนกักดีอย่างนี้มันน่าจะพิมพ์ใหม่แล้วก็เผยแพร่ะจากรูปแบบให้สวยน่าอ่านเพราะพอเราเอามาอ่านเนี่ยมันซ่อนอะไรดีเยอะมากวันบางทีเลยก็ยกข้อความให้ดูเพื่อให้วิเคราะห์จากข้อความแล้วข้อความเหล่านี้มันเกิดมาจากอะไรจิตใจเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงทําไมถึงเขาเขาคิดอย่างนั้นทําไมเขาจึงทําอย่างนั้น ทำไมพฤติกรรมเขาจึงแข็งกร้าวอย่างนั้นอ่อนโยนอย่างนั้นอด น, น้อมอย่างนั้นเมื่ออ่านแล้วซึ้งนะอ่านแล้วรู้สึกซึ้งเออเราก็อ่านมาพอ เ, เด็กเด็เรียนป .4 มั้งอ่านมาเออยังจําได้เป็นกระท่อนกระแท่นนะฮะจาได้ไม่ตลอดแล้วก็มาอ่านใหม่ แล้วก็เออว่าไอเ น, นี้ยมันมันที่จริงเรื่องรามเกียรติบััคดีของเราทั้งนั้นน่ทั้งหมดนะคดีทั้งหมดมันเป็นเครื่องของคนที่รับใช้กิเลสกับรับใช้ธรรมะแต่ธรรมะเองก็ไม่แข็งพอกิเลสมันมีพลังมากกว่า มัผลที่เกิดขึ้นจากการเบีดเบียนร่างผลาญด้วยแรงดันของกิเลสเนี่ยมันจึงเกิดสูญเสียมากมายจากกอแม้จะจบตรงด้วยธรรมชาติธรรมก็เถอะแต่ว่าขวัยธรรมาก็สะบักสะ บ, บอมไปก่อนแหละนี่คือโลกปลนี่คือสังคมนี่คือชีวิตในที่สำคัญอย่างยิ่งคือตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ากุศลธรรมเป็นเหตุแห่งความเจริญ อกุศลและทำเป็นเหตุแห่งความเสือ่อมแน่นอนถ้าเรามองในแง่ว่าเออคนเหล่านี้ที่จริงก็ช่วยพิสูจน์ว่าธรรมะที่พระเจ้าส่งสัตวรู้และส่งสอนว่าจริงนะเดี๋ยวนี้ยอย่างจริงเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่บกพร่องเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเป็นกุศลก็กุศลมิอย่างนั้นแหละเป็นอกุศลก็อกุศลม่อย่างนั้นงั้น เรื่องของทศพลรยานกับเวสารัชญาเนเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่เราฟังเราอ่านเราทำความเข้าใจมันเกิดศรัทธาประสาทะยิ่งขึ้นในพระพุทธคุณดังนั้นจึงนำมาขยายถึงสองวัด น, นะเพื่อท่านมอง <S <S พระศ า, ะ ส, าสดาของเราที่เรานับถือด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเลือกไม่ผิดแหละ แม้ในโลกนี้จะมีศาสนาอยู่มากก็ตามแต่การที่เราเลือกเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นก็ถือว่าเป็นบุญด้วยแล้วก็เราก็เลือกไม่ผิดด้วยเราสามารถจะหาประโยชน์จากพุทธธรรมเป็นเอเนกอั น, นันติได้ต้องฟังทลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันวนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรม ยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี